ที่ยีก็เป็นมันออกพรรษาออกพรรษาปรวารณาก็นึกเป็นห่วงหมู่พกเพื่อนเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกกล่าวกันคำปวารณาออกพรรษาปกหมู่พกเพื่อนได้ท่องฝลสาธยายไว้หรือยังนี้ยังไม่ได้บอกแต่สําหรับพระองค์ที่ท่านบวชเมื่อกี้เนี่ย ก็ให้ท่องบอกปริสุทธิ์เอาไว้นะให้ถามพระที่บวชเก่าในท่องอะไรบอกปริสุทธิ่วันนั้นไม่ได้ลงอุโบสถวันออกพรรษาเนะี่ยวันปวารณาไม่ได้สวดพระปฏิโมกมีกล่าวคําปวารณาแทนองค์ที่ไม่ได้พรรษาก็ให้บอกปริสุทธิ์แทน ปริสุทธโธอะหังพันเตปริสุทธโธติมังสั่งโคทาเรทะในท่องเอาไว้คำนี้ เ, เราก็บอกปริสุทธที่ในสงเพราะไม่ได้ลงโบสดแต่พระสงฆ์องค์ที่ได้จำพรรษาผ่านมาแล้วก็ภารณาเรียงลําดับไปทีละองค์ละองค์ละองค์งไปจนถึงองค์สุดท้าย วันที่ยี่สิบสี่แขอหมูทุกองให้ท่องท่องเอาไว้องไหนสิยังไม่ได้ท่องไม่บอกเอาไว้เดี๋ยวเกิดขาดตรงบกั้งนะถึงวันแล้วภาวรนาไม่ได้ไม่ให้ออกพรรษานะเคยมีนะไม่ได้เตรียมตัวนะพ อ, อนออกเป็พรรษาจริงๆจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าขนาดเป็นพระเก่าเพราะไม่ได้ทบทวนเอาไว้ สรุปแล้วก็คือให้รู้จักรับผิดชอบเพกลักวมันจะขาดตกบกพร่องในวินัยนั่นน่ะแต่อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างวัดงสงตานะาไม่เคยบอกอย่างนี้เรกถ้าหากว่าตรวจไม่ได้ก็ระวังกันแล้วกันน่ะขาดความรับผิดชอบในตนเองในหลักคาวินยัยเพั่นให้พวกเราท่องท่องไว้น่ะคําออกพรรษาเป็นจำเป็นสําคัญอย่างมากภาวนาออกพรรษา พูดผิดถูกถูกไม่ได้เรื่องนะแล้วก็เรื่องกระตินที่เคยสวดกันมาแล้วองค์ไหนเป็นองค์ใหญ่เป็นองค์สวดจะองค์ไหนที่จะอุปโลกได้ก็ฝึกซ้อมกันจะไปถือเป็นของเล็กน้อยไม่ได้นะพออยู่ในชุมชนถึงวันแล้วพูดผิดผิดถูกๆแลนะแตบบ่ไม่เอาใจใส่ นั้นต้องฝึกซ้อมกันให้ถูกต้องคล่องแคล่วให้พูดถูกตามหลักทำใม้ในอักตระวักตอนควรจะซ้อมอมอาไวนะ้แหะมันเข้าใจแล้วมันถูกต้องถ้าหากว่า ม, มีการซ้อมกันนะ่ะถึงวันแล้วยังมาจับใส่กันเลยมันเข้ากันไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแ่ะถ้าทํางานเป็นทีมทํางานเป็นหมู่แล้วมันก็ต้องสอบต้องซ้อมกัน ทำพิธียังไงเข้ามายังไงเก๋ๆกลางๆดูๆแล้วมันไม่ได้เรื่องหรอกเผื่อการนั่ ง, งก็เหมือนการกระควรจะบอกบอกกันนะ่ะเข้ามานั่งยังไงสวดยังไงหันหน้ายังไงนั่งกันอย่างไรอุปโลกนั่งเรียงกันอย่างไรองค์ที่จะสวดนั่งกันอย่างไรน่าจะสมมติกันขึ้นมาเนี่ยนนะ่ะถึงวันนั้นมาเราก็เข้าล็อกเขาเ้าเต็มที่ไนมะ่ใช่ว่าจะชี้พุ้นชีพ้พี่พูดกันโบกเวกโบกเวก แสดงว่าไม่ได้ซ้อมกันไว้ขาดความคล่องแคล่วนี่แหละวันที่ยี่สิบสี่ตกตอนเย็นประมาณสักบ่ายห้าโมงเหมือนวันพวกเราลงอุโบสถนั่นแหละเขามาไปชุมพร้อมกันแล้วก็ทำการปรว า, ารณาศาลานี่แหละทำสังฆกรรมปรวารณาจวดอุโบสถะกะรณะโตนะแต่นี่ปรวปรวนารณาปวารันโตอืม เปียน ใ, ใหม่ ก, ก็สวดเสร็จแล้วก็สวดยติแล้วก็ภารณาตั้งแต่องค์แรกตั้งแต่ผมเลนะจนถึงองค์สุดท้ายจากนั่งองค์ที่บวชใหม่ก็บอกบริสุทธิต่อสงในวันนั้นแปนว่าจบพิธีกันแต่เรื่องคําว่าภาวนาออกพรรษาเดี๋ยวจะอธิบายให้หมู่บุกเกินฟังในวันนั้น ต่ไม่เพียงแต่ว่าเตรียมพร้อมคือบางองค์อาจจะยังไม่ได้ท่องก็ยังอีกสองสามวันก็น่าจะท่องได้ไม่น่ามีปัญหาจะทามานี่ท่องมันเอาไม่ได้จริงๆนะันน่ะขนาดเนี้ยนะทุกองค์จวจะออกพรรษาแล้วก็ทั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาจนถึงวันสุดท้ายนั่นหละ ว่าเราเป็นนักปฏิบัตินักภาวนานักศึกษาด่านการประพุติปฏิบัติหรือว่าการที่จะมาอบรมหรือมาบอกมากก่าวมาเทศนาว่าการผมก็คิดว่าจะให้เต็มเสี่ยมจริงๆผมก็ไม่รับถึงขนาดนั้นแต่ผมก็คิดว่าทั้งเทปครูบาอาจารย์ทั้งหนังสือธรรมะทั้งพระตรีพิ ด, ดกก็มีพร้อมอยู่ จะให้หมู่เพื่อนได้ฟังได้ศึกษาแต่สำหรับผมเองผมก่อนได้พูดตอนเช้าบ้างเพื่อให้เป็นกติตัวอย่างสอนหมู่สอนคณะให้ได้ยินได้ฟังบ้างแต่ละเวลาแต่ละครั้งจะให้สอนกันเหมือนกับฝ่ายปริยัตสอนทุกวีทุกวันทุกเช้าทุกเย็นอันนั้นก็คงจะเกิดความเบื่อหน่ายเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นฝ่ายปฏิบัติฝ่ายกรรมฐานนี่ โดยมากกันยังไม่ อ, อบรมกันอย่างทพ้ำเพื่อถึงขนาดนั้นพูดกันเป็นเวล่ำเวลาพูดว่าทําก็ต้องทําพูดปฏิบัติอย่างนี้ขบปฏิบัติอย่างนี้เอได้ผลยังไงอันนั้นหมู่พกเพื่อนต้องมาถามอีกทีนึงมาศึกษาอีกทีหนึง่งว่าได้ผลยังไงเป็นที่พอใจมันสงบหรือมันไม่สงบเมื่อทําเต็มที่แล้วอันนั้นต้องถามไถ่กันอีกทีนึงอืม แต่นี้มีแตพูดไปก่อนมันก็เป็นทฤษฎีไปเป็นปริยัตไปแต่ก่อนที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องปริยัตซะก่อนว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทําทั้งสามอย่างนี้อยู่ในพระพุทธศาสนาของพวกเราปริยัติคือการเร้าเรียนศึกษาให้เข้าอกเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้ต้องเรียนรู้ซะก่อน เราปริยัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติดึงศินสมาธิแล ะ, ะปัญญาเมื่อลงมือแล้วได้รับมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรียกว่าปฏิเวชหรือปฏิปฏิเวทธรรมผลแห่งการปฏิบัติเวลาเรานั่งสมาธิเดินยังกลมเราได้รับผลอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไร ใจของเราเย็นสบายใจของเรามีความสุขใจของเราสงบอันนี้แหละว่าผลแห่งการปฏิเวทขึ้นมาในขั้นสมาธิจากนั้นก็นเราเดินทางวิปัสสนาพิจารณาถึงร่างกายสังขารปล่อยวางมากน้อยเราระงับกิเลสราคะลงได้ระดับหนึ่งโทสะระดับหนึ่งความรู้แจ้งระดับโมหะขนาดนึง อันนี้กับปฏิเวทธรรมขึ้นมาระดับหนึ่งจนถึงเราทำที่สุดทุกโดยชอบละกิเลสฆ่ากิเลสชำระกิเลสออกจา ก, กจิตใจบริสุทธิ์แล้วหมดจดแล้วอันนี้เราบอกปฏิเวทธรรมอย่างสมบูรณ์ยรับผลแห่งการปฏิบัตินี่แหละคือปริยัตปฏิบัติปฏิเวท ม, มีหลายระดับจนถึงระดับขั้นบริสุทธิ์ แต่ทงยังไงก็ตามที่พวกเราจะรู้จะเข้าใจได้ก็ต้องปริยัตะก่อนต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังจากหมู่จากเพื่อนจากครูบาอาจารย์จากหนังสือจากเทพเนี่ว่าสุตตะมยัปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟัง แนวทางแห่งการประพุทธปฏิบัติพวกเราก็ไม่รู้จะเดินทางไหนเหมือนกันไม่ว่าทางโลกและทางธรรมถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอก็ได้ครูบาอาจารย์ฝ่ายแพทย์ฝ่ายหมอเขาก็ต้องสอนถ้าว่าทางคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สารศาสตร์ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสอนตามศาสตร์นั้นๆแต่พวกเรามาบวชในพุทธศาสนา จะบวชสามเดือนบวชนวาะบวชประจําก็ตามก็ศึกษาฟังเรื่องพุทธศาสนาให้เข้าใจเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรควรยึดอย่างไรควรปล่อยวางอะไรมีทั้งยึดมั่นมีทั้งให้ปล่อยวาง ใยึดมั่นในสิ่งที่ดีปล่อยวางในสิ่งที่เป็นไผ่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอะสุดตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการฟังแล้วก็นําไปคิดไม่ใช่ฟังแล้วกระจบฟังแล้วก็นําไปไตรตรองไปพิจารณา โยนิโสพิจารณาให้แยกายในจิตใจของตนเองการว่าแยกายคำนี้สุดแท้แต่ปัญญาใครจะยังรึกลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้เพราะภูมิปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ต้องอาศัยการโยนิโสกินตามะยะปัญญาไตรตรองพิจารณา ในเหตุในผลในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิในเรื่องปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังก็ น, นำไปคิดไปพิจารณาจริงอย่างที่ท่านพูดจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงอย่างที่ธรรมวินัยท่านพูดมีข้อแย้งไหมต้องไปไตรตรองอีกครั้งเรียว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการหรือว่าการคบทวน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาอันนี้จะพูดได้ชัดเจนเลยว่าเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวสอนเอาไว้ที่อื่นไม่มี ถึงจะมีก็มีแบบบังเอิญแต่โดยมากเรื่องพุทธศาสนานี่ที่ท่านสอนภาวนามย์ปัญญาคําว่าภาวนาเนะี่ยมีทั้งสมาธิและวิปัสสนามีทั้งสองอย่างทำสมาธิก็คือทําจิตให้สงบส่วนวิปัสสนาคือทําใจพยยนานาิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหเห็นไตรลักษณ์ให้เห็นความเกิดและความเสื่อม ของร่างกายสังขารธาตุตีดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองความเสื่อมสลายของธาตุขันส่วนสมาถะหรือสมาธิคือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเียว่าภาวนามย์ปัญญาภาวนาเนี่ยทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้สงบและเมื่อจิตสงบแล้ว นำจิตที่สงบแล้วนะ่ะถอนออกจากความสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเกิดปัญญาขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วก็หลุดพ้นจากอาสวักิเลสโรกโวดลงอันนี้อาศัยภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวานาที่จะชำระกิเลสจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรมันก็หลายหลายอย่างประกอบกันแต่พลที่สุดก็คือปัญญานั่นแหละจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ได้กายวาจาจะบริสุทธิ์ได้เพราะศีลจิตจะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาวิริยะขันติสัจจะสมาธิปัญญามันก็ไปด้วยกันนั่นแหละ แต่ว่าเราพูดลวกยอดแล้วก็คือปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้คุณค่าของศีลถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้คุณค่าของสมาธิอถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะทําความเพียรเพื่ออะไรเพราะมันโง่จะรู้อะไรได้เพราะนั้นปัญญาจึงเป็นยอดตั้งแต่ริเริ่มขึ้นมานั่นแหะ เรียว่าปัญญาใช้ในทุกสถานตลอดการทุกเมื่อไม่ว่าทางโลกและทางธรรมปัญญาเป็นแสงสว่างสองทางเดินสำหรับพวกเราจนถึงความพ้นทุกข์อันดับแรกก็อาศาัยการได้ยินได้ฟังก่อนสุดตรตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปพิจารณาไข่ครวนจินตามมยะปัญญา เมื่อพิจนาไข้ควรแล้วก็ลงมือทานั่งสมาธิกิตสงบจากนั้นก็พิจาณาจนถึงความเบื่อหน่ายคลายหุคนเป็นลำดับไปแต่ผมก็คิดว่าผมไม่ได้ขีดกั้นกั้นกลางไม่ให้หมู่ได้ศึกษาปริยัตผมก็พร้อมคือการศึกษาตำรับตำราเรามีพร้อม เรามีให้นังสือธรรมะลิกขิดของครูบาอาจารย์แล้วก็เทปครูบาอาจารย์นังสือประไตรปิดกอันนี้คือประยัติเปิดให้หมู่พวกเพื่อนได้ศึกษาแล้วก็พร้อมกันก็ได้ลงมือปฏิบัติทั้งอดอาหารพรออาหารอดนอน ตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่เหล่านั้นไม่มีการบังคับว่าจะให้พวกท่านทำยังไงพวกท่านต้องรู้เองว่าปฏิบัติตัวอย่างไรมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านจะรู้จักประมาณตัวเองเนี่ยทั้งสองอย่างได้ทั้งปริยัตได้ทั้งปฏิบัติแปอว่าสมบูรณ์ส่วนปฏิเวศนั้นใครจะได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหน สุดแท้แต่บุญบารมีพวกเราสร้างมากน้อยแค่ไหนผลจะต้องได้รับรู้รับทราบทางจิตใจของพวกท่านทั้งหลายเองธรรมะจุดนี้คือธรรมะปัจจิตตังรู้ได้เฉพาะตนหรียว่าไม่ได้อะไรเลยก็แสดงว่าเรานไปทามาค้าขายขาดทุนเหมือนกับคนเราไปต่างประเทศ ทั้งที่ไปขุดทองบางคนก็ร่ำรวยมาแต่บางคนก็มาอยากจนตอนไปก็ขายไร่ขายนาเอาไร่เอานาไปจำนองเขาไว้กลับมาก็ไร่นาก็เลยขาดไปเลยอันนี้เป็นของธรรมดาเพราะว่าไปแล้วไม่ตั้งใจทไปแล้วไม่ตั้งใจสดแสวงหาเหตุไม่ดีผลมันก็ต้องไม่ดีแต่ถ้าว่าพวกเราตั้งใจประพืดปฏิบัติแล้ว พุทธศาสนาสอนมา 2,500 กว่าปีกูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติไมรมักไม่ผลหมามากต่อมากแต่ทำไมเรามาประพุทธปฏิบัติจึงกลายเป็นโมฆะบุรุษติเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรทำไม่มันมีจุดไหนมันขาดตกบกพ่องจุดไหนมันเป็นยังไงอันนี้พวกเราต้องวิเคราะห์ตนเองอย่าไปให้คนอื่นวิเคราะห์ให้ถ้าคนอื่นวิเคราะห์ให้ เดี๋ยวเขาว่าดูถูกดูแคนเหยียดหยามตัวเราเราเนั่นแหวะทีเคาะตนเองทำไหม่ต้องตั้งคำถามว่าทำใหม่เราบวชเข้ามาคราวนี้ทำใหม่เราได้อะไรบ้างทำไหม่ทำาไมมันไม่ได้เราได้อะไรเพราะทำใหม่มันต้องมีเหตุมันก็ต้องมีผลนี่แหละ หลักแห่งการประพฤติปฏิบัติหรือว่าหลักของพวกเราผู้จะต้องศึกษามันมีขัดมีตอนอาศัยการได้ยินได้ฟังนั่นนะเพราะนั้นพวกเราหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่เข้ามาบวชใหม่นวักกะผมจึงเตือนให้แต่ทีแรกให้หาพระเก่าหาหนังสือให้อย่างนั้นก็หาเทพครูบาอาจารย์ให้ จากนั้นก็แนะนำให้อ่านหนังสือทำเลขิดของครูบาอาจารย์และตลอดถึงหนังสือพระไตรปิฎกให้รู้จักแนวทางให้มีความรู้กว้างขวางให้เข้าใจในหลักธรรมวินัยเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยก็คือพื้นฐานพระธรรมก็คือแนวทางประพฤติปฏิบัติเรื่องสมาธิ ก็ได้พูดมาตลอดทั้งพรรษาผมก็ได้พูดแล้วว่าที่ได้ผลเพราะการบังคับตนเองไม่ได้มาแบบเลื่อนลอยไม่ได้มาแบบธรรมดาธรรมดาที่จะได้เป็นจุดเป็นหลักสกิดจิตสกิดใจเป็นหลักขึ้นมาในจิตใจที่ว่าเป็นหลักที่สำนึกได้จางชัดเจนก็โดยการบังคับบังคับตนเองเลย เราจะไปคิดบังคับคุณบังคับตัวเองวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะนั่งเท่านะั้นวันนี้เราจะเดินอย่างน้นจะไม่เห็บเผล อ, อย่างนั้นเราจะไม่เห็บเผล่มันเผลอไปเราจะพยายามดึงกลับมาบังคับ เ, เมื่อบังคับตัวเองระดับหนึ่งพอมันเห็นผลแล้วมันขยันเองมันรู้หน้าที่เองอันนั้นไม่ต้องบังคับ พิจารณาไปเลยแหละอันดับแรกต้องต้องบังคับก่อนอยากจะให้หมู่พฟกเพื่อนใช้หลายๆวิธีถ้าตัวเองมันดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องบังคับถ้านเรายังขาดตัวบกข้องก็ต้องบังคับจุดไหนที่มันชอบไหลไปทางไหนก็รู้อยู่แล้วใจมันชอบไหลไปตามกิเลสกิเลสมันชอบไหลไปทางต่ําไปทางราคะไปทางโทสะโมหะเราต้องเพี่นนะ่ะ การภาวนาเรื่องสมาธิเบื้องตน้นเรื่องศีลเมื่อเราได่ศึกษารู้แล้วแนวทางเราปฏิบัติตามนั้นพระศีลเป็นปของอยาบเราอ่านได้รู้ได้ศึกษาได้ในเมื่อเรารู้แล้วถ้าเราฝืนทาการรู้แล้วฝืนทาลงห่งมันก็ผิดได้ส่วนสมาธิละเอียดเข้าไป ต้องสังเกตจิตสังเกตใจตัวเองเรื่องศีลนะหมู่พวกเพื่อนมองเห็นได้รู้ได้ว่าการกระทําการพูดของท่านเนี่ยไม่ถูกต้องผิดสมาธินะเป็นเรื่องของตัวเองใครมองไม่เห็นนะ่ะเราจะทํายังไงไม่ทํำยังไ ง, ไ ง, ไงเราจะภาวานายังไงกําหนดยังไงเรื่องสมาธินั่นนะพวกเราควรจะมีกฎเกณฑ์สำหรับตนเองแต่หาว่าเราไปชอบ พูดชอบคุยชอ บ, ชอบคบคคีตีโมงกับหมูพวกเพื่อนครูบาอาจารย์ไม่เห็นหมูพวกเพื่อนไม่เห็นเออการไปพูดคุยกันทั้งวันทั้งคืนหรือว่าออกจากคุยกันแล้วก็ไปนอนออกจากไปนอนแล้วก็ไปคุยกันอมันหลบหลีกสายตาครูบาอาจารย์ว่าตัวเองเป็นผู้ชนะอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนั้นโง่เต็มทนเหมือนกับนักเรียนะ ที่มาได้อะไรออกจากบ้านพ่อบ้านแม่ไปโรงเรียนเอาพอสมุดกระเป๋าหนังสือเป้ใส่หลังแล้วกันไปหาตกปลาที่ไหนก็ไม่รู้ไปหาเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้เงินก็มีแล้วติดกระเป๋าไปมีอยู่มีกินพอกลับมากลับมาบ้านที่ว่าตัวเองฉลาดพอหลบครูหลบพ่อหลบแม่ทีนี้ผลการสอบมันเป็นยังไง นั่นแหละรู้จักแล้วตัวเองโง่แล้วทีนี้อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนั่นนะอย่าไปหลบตนเองอันนั้นคือกิเลสมันพาออกนอกลูกนอกทางนะรู้เลยวันนั้นอ่ะสันดานกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราควรจะรู้เนี่ยเออนิสัยอย่างนี้นิสัยกิเลสนะเราไม่ควรจะส่งเสริมมันนะเ อ, อเราควรจะปรับปรุงเราควรจะฆ่ามันเรื่องกิเลสตัวนี้ เราจะอยู่คนเดียวรู้เราจะภาวนาดูเราจะดูหน้ากิเลสตัวนี้เถอะมันเป็นอย่างไงนี่แหละให้เดินอย่างกลงให้ดูดูหน้ากิเลสตัวมากกิเลสมันจะชอบแผลบออกไปอย่างนั้นชอบออกไปข้างนอกชอบมูชอบเสวนชอบผูกชอบคุยชอบโก้ชอบอวดมันไปอย่างนั้นแต่ทําไม่เป็นอย่างนั้นทำสมาธิชอบอยู่แบบนิียเงีย สงบดูใจของตนเองมันพุ่งฟุ้งเรื่องอะไรวันนี้มันไปทางไหนมันไปทางกิเลสราคาหรือเป็นทางพยาบาทนี่แหละสังเกตจิตสังเก ต, เกตใจเ น, นี่ยนะพระที่จะดีได้พระที่จะสมบูรณ์แบบได้เป็นนักสังเกตจากนั้นก็นํามาพิจารณาเมื่อจิตสงบพอเป็นพื้นฐานก็นํามาพิจารณา ร่างกายสร้างขานพิจารณาแบง่งแยกส่วนแบง่งส่วนอาการสามสิบสองนี่ทิพิจากําหนดตัวดูร่างกระดูกอย่างเดียวเพราะร่างกายของเราก็มีโครงกระดูกนั่นเป็นโครงที่มันยืดเป็นล่างเอาไว้อยู่หนังหุ้มเอาไว้อยูอ่ถ้าไม่มีกระดูกของมันกับหนังเขาไม่รู้จะอยู่ได้อย่างไงมันก็ต้องเหมือนกับกระสอบนั่นน่ะ อหนังหุ่มเนี่ยมันก็ลงไปเนะ่ะเพราะมันมีกระดูกไม่มีโครงอที่ร่างกายของเราอยู่ได้เดี๋ยวนี้เฉพาะโครงกระดูกเราต้องพิจารณาดูโครงกระดูกนะั้นมันจะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนเอาไปเผาไฟไม่รู้กี่โครงกระดูกแล้วเราเกิดมานี้มีรูก้กี่คนต ก, กี่คนกี่หมื่นกี่แสนแนละ้อีกสักวันหนึ่งเขาก็จะจัดการกับเราอีกเหมือนกันเราเขาจะต้องเข้าเมนอีกเหมือนกันนะ ถ้าไมเข้าเมีนกับเข้าเข่าเผาหรือไม่เข้าเพากับฝังหรือว่างถ้าให้ฝังกับาตายรอยน้ำมันจะพูฟังเป็นอาหารปูอาหารปลาไปหมดออนี่แหละร่างกายสังขารของคนเรามันหาความเที่ยนแพ้นแน่นอนมาได้เราจะไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเรืเรองกับถาดสีขันหา น, นี้มันหาความสนุกไม่ได้เนาะ ต้องรู้ด้วยทำต้องพิจา ร, รณาต้องใช้ปัญญาถอนกิเลสออกจากจิตจากใจาราคะโสะโมหะถ้าเราถอนได้แล้วนั่นละ่ะความบริสุทธิ์ผุดพองบรมสุขจะเกิดอยู่ที่นั่นเกิดจากใจอันบริสุทธิ์กิเลสมันเกิดจากใจเหมือนกับเหล็กสนิมมันเกิดจากเหล็กงั้นแะแต่มันทำลายเหล็ก ให้กอนกิเลสมันเกิดจากใจแต่ทำลายใจให้ทุบผลละผะแต่ธรรมะเกิดจากใจแต่ทำใจให้เบิกบานมีกำลังเบิกบานผ่องใสมันตรงกันข้ามกันอย่างนั้นกิเลสกับธรรมมันเกิดมาที่เดียวกันเกิดมาจากใจเหมือนกันว่นนั้นพวกเราต้องดู มันออกมามันตัวกิเลสออกมาแสดงหรือธทําออกมาแสดง mm hmm. กิเลสตัวไหนทําเป็นยังไง น, นี้เป็นต้นนะ mm hmm. ในพรรษานี้หมูพกเพื่อนเข้ามา mm hmm. ผมก็ไม่ได้หนักใจนะที่ผ่านมาแต่สำหรับหมูพกเพื่อนนั้นจะหนักใจยังไงผมก็ไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมเอง mm hmm. ผมไม่มีอะไรก็ mm hmm. เห็นว่าหมูพกเพื่อน มาแบบมีแตกสอนกับให้มาภาวนานเราไม่ได้มาหาความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงมาเพื่อภาวนาเรามาบวชในครั้งนี้เรามาสอบแสวงหาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอบแสวงหาความสนุกรื่นเริงบันเทิงอย่างอื่นแต่ถ้าว่าเราเข้ามาบวชแล้วเราจะหวังความสุขรื่นเริงบันเทิงอันนั้นแปลว่าผิดทาง เดินผิดใช่แล้วออถ้าเราจะต้องหาความสุขเรื่อนเลิมบันเทิงเราต้องสแสวงอีกไปทางอื่นไม่ใช่ทางนี้ถ้าเป็นทางนี้แล้วก็ต้องดูจิตใจของตนเองเขามาบวชแล้วนักบวชเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างพวกเราเป็นอยู่เดียวนี้การเป็นอยู่ต้องอดอยากการหลับการนอนต้องฝืน การพูดการคุยต้องน้อยมันฝืนทุกอย่างจึงจะเป็นพระที่ดีเป็นพระที่สมบูรณ์แบบได้อย่างพระกรรมฐานอย่างพวกเราประพฤติปฏิบัติฉันตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจพูดกันรครุกคีตีโมงตามอำเภอใจมันพูดได้ทาได้แต่ว่าทางด้านจิตใจนั้นไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย มันก็เหมือนกับเราอยู่คราวาดไม่ผิดกันเราเข้ามาบวชคราวนี้มาอบรมบ่มนิสยัยมาประพฤติปฏิบัติมาเพื่อชำระจิตใจของตนเองมาดูจิตดูใจของตนเองมาเพื่อภาวนาเพราะนั้นในระยะสามเดือนที่เราเข้ามาบวชคราวนี้เราทาตัวเป็นนักบวชเต็มที่สิ่งไหน ที่เป็นนักบวชเราต้องทำหน้าที่อย่างนั้นให้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบให้เป็นนักบวชที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสา ก, กัยบุตรพุทธชินนรสเรื่องอย่างอื่นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเห็นผลมากน้อยอย่างไรนี่แหละแต่ถ้าพวกเราเอาจิงเอาจังปฏิบัติจริงจัง ผลก็ต้องเกิดขึ้นมาให้เห็นอย่างจริงจังแต่เราทำพอรอๆเลยแหละผลมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแ่ะไม่ว่างานอะไรทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันในโลกนี้ถ้าเราทำอย่างจริงจังผลก็ต้องออกมาอย่างจริงจังเพราะเหตุมันจริงผลก็ต้องออกมาจริงถ้าเหตุมันไม่ดีผลออกมามันก็ไม่ดีอันนี้เราเป็นนักบวชในครั้งนี้เราสร้างเหตุให้ดี บวชเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเอาจริงเอาจังผมว่าพวกเราคงจะภาคภูมิใจในตัวเองอย่างลึกๆเหมือนกันนะเราไม่มีบันลืมด้วยถ้าหากว่ามูพวกเพื่อนได้มาประพฤติปฏิบัติแล้วออกไปเป็นครวาตทําหน้าที่ครวาตต่อไปก็ให้ซํานึกไว้อยู่เสมอแหละที่เราได้บวชในพุทธศาสนาเราได้คิดอะไรเอาไว้ ในเมื่อเราเป็นนักบวชเพราะในช่วงนี้ท่านจะว่าไปแล้วก็เมื่อเราเป็นครวญเหมือนกับเราอยู่ในควันไฟอยู่ในมุมมืดและมุมเมฆหมอกอยู่ในมุมของโลกธรรมแต่เราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วเราออกมาเอาธรรมะเข้ามาประพฤติธปฏิบัติเอาธรรมะเข้ามาชำะล้างจิตใจมันก็คงจะมีแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาบ้างแล้วเราลอคิดไปข้างหน้าดูก็แล้วกัน ว่าเมื่อเราออกจากพระไปแล้วเนี่ยลาสิกขาไปแล้วเนี่ยเมื่อผ่านพ้นไปแล้วนี่ยตามกําหนดที่ลาเดลาสิกขาไปแล้วเราจะวางตัวอย่างไรอันนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายคิดเอาไว้นะวางแผนเอาไว้นะแต่ถ้าหาว่าบวชเข้ามาแล้วลาสิกขาไปในะยิ่งแย่กว่าเก่าอันนั้นแปลว่าพวกท่านเข้ามาแล้วขาดทุนศูนย์ทรัพย์เข้ามาบวชพระในครั้งนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมก็ไม่ได้ประโยชน์วัดของเราก็ไม่ได้ประโยชน์ ตัวของท่านเองก็ไม่ได้ประโยชน์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ประโยชน์เปล่าประโยชน์ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับพระพุทธเจา้าทว่าโมคะบุรุษเป็นผู้เปล่าประโยชน์อือันนี้เป็นคําพูดของพระพุทธเจา้าพวกเราได้ศึกษาในพระวินัยคงจะได้ยินคนํานี้ในพระไตรปิฎกโมคะบุรุษโมคะสะติแปลว่าโมคะเป็นผู้เปล่าประโยชน์ เพราะนั้นผมไม่อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่เดิมาอยู่กับผมได้รับการอบรมหรือว่าได้มาศึกษาปฏิบัติ ด, ด้วยกันอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนใช้จติตใช้ปัญญาเอาชนะกิเลสภายในใจของตนเองเมื่อสืกออกไปแล้วเขามีความศัก์จริงกับตนเองว่าเมื่อข้าพเจ้าลาสิขาไปแล้วข้าพเจ้าจะทําอะไรทำอย่างไร ผมว่าเรื่องสุราเนี่ยควรจะงดตลอดไปเพราะไม่มีคุณค่าอะไรเลยแา่ว่าเข้าหมูเข้าเพื่อนเอาหมูเอาเพื่อนอันนั้นไม่ถูกต้องถ้าเราเข้ามูเข้าเพื่อนเราก็บอกว่าเ อ, อเราผมดื่มสุราไม่ได้ช่วงนี้เพราะว่ามันจิตกับโระมันแพ้ใครดื่มสุราแล้วไม่แพ้ไม่เมามีไหมเนีแล้วว่ามันแพ้จะผิดตรงไหนมันแพ้จริงๆกินเข้ารอยไปแล้วมันเมามันเป็นบ้า อถ้าเราไม่อยากก็เอง่ะเรามีทางออกตัางเยอะแยะไปเราอย่าไปคิดว่าคนไม่ดื่มสุราน่ะไม่มีหมูมีเพื่อนเห็นไหมหมูพระของเราเป็นไงญาติโยมหมูพวกเพื่อนผมากไหมมีแต่เพื่อนดีๆทั้งหมดพึ่งพาอาศัยกันไดน้ต่างกับหมูเพื่อนที่เหล้ากินเหล้าเข้าปากก็รับพับ พ, บ พ, บพบผมผมผม พอหายเมาหายสางไปแล้วก็เพิ่งพาอาศัยกันไม่ได้งั้นเหลือมันดีหรอนี่จริงเหล่านี่เราต้องคิดถ้าว่าหาหมูพปกเพื่อนไม่ได้เราอยู่คนเดียวดีกว่าจะไปอาศัยทําไมหมูพปกเพื่อนถ้าหาเพื่อดีไม่ได้เพื่อนก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีถ้าเรามีคุณธรรมมีศีลธรรมแล้วหมูเพื่อนดีๆมีอือ คนดีก็ต้องสแสวงหาคนดีคนเลวเขาก็ต้องหาคนเลวหมู่มแมลงพึ่งก็ต้องหมู่เป็นมแมลงพึ่งก็ไปด้วยกันมแมลงวันเขียวก็ต้องไปด้วยกันดีคนดีก็ต้องไปกับคนดีคนเลวก็จะไปกับคนเลวคนดีจะไปกับคนเลวไม่ไนดะ้คนเลวจะไปกับคนดีมันก็ยากอีกเหมือนกันคนที่จะทําความดี ความดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีที่มีอยู่แล้วความดีที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรทําให้ยิ่งความชั่วก็มือนกันหนึ่งก็ดีสองก็ดีมีแล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียคในขณะท่านได้เห็นแต่เริ่มแรกเลยการกระทําของพวกเราเพราะนั้นขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองค์นําไปคิดไปพิจารณาดูนะว่าจะเอายังไง แต่ถ้าหากว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วทำตัวให้ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมในสังคมผมดีอกดีใจถึงจะไม่มาหาผมก็ตามผมดีอกดีใจกับญาติกับโยมกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมสั่งสอนได้ยินแล้วเออดีใจด้วยเป็นคนดีในสังคมแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วทำตัวเละตุ่มเป๊ะ ช่วยเสียหายถึงจะมากอดจีวรผมอยู่ก็าตามผมก็ยังเสียใจว่าเป็นคนดีไม่ได้วันนั้นคานี้ให้หมู่พกเพื่อนทุกทุกวงนะ่ะที่เขามาศึกษากับผมหึือจะเป็นพระอยู่ประจำหรือจะบวชเป็นประจำอาชีพของพระผู้ใหญ่ตลอดไปก็าตามก็ให้อยู่ในหลักธรรมที่ไหนถึงจะไม่มาครับผมผมก็ยังนับเนื่องว่าคือหมู่พกเพื่อน สหธรรมมีความคิดเห็นแบบเดียวกันกับเราแต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันก็เถอะอยู่ใกล้กันก็เถอะแต่ทำตัวไม่ดีมันก็เหมือนกับหันหลังให้กันอยู่ตลอดไปละไม่หันหน้าไปด้วยกันไม่ไปทางเดียวกันเพราะนั้นพวกเราให้ยึดหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือยึดศาสดา ยึดหลักธรรมวินัยนะ่ะคือยึดศาสดาถ้ใครยึดหลักธรรมจากหลักรรวินัยแล้วไม่หลงทางถึงจุดหมายปลายทางได้ถึงจะเป็นพระที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีไหวพริบปัญญาพูดจาฉะฉานแต่ยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักดูแล้วก็น่ากราบไหว้หน่าสักการะน่าบูชาหน้าเคารพนับถือ เป็นพระโง่ที่นัานับถิ่นว่างั้นแต่ถ้าออกนอกจากหลักธรรมวินัยไปแล้วถึงจะเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็เถอะอ่อาตรงกันข้ามไว้เนื้อเชื่ยใจไม่ได้ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเพราะนั้นพูดทั้งนี้ทางนั้นไม่ได้ขาดโอดไม่ได้ปลามาัดทุกๆุกท่านทุกๆุกองพูดทางนี้คือเตือนให้พวกเรายึดในคุณงามความดี ไปเป็นขราวาสก็ให้เป็นพลเมืองดีเป็นขาราชการที่ดีสิ่งไหนที่มันเร็วชั่วช้าเสียหายอย่านํามาใส่ใกายใส่วาจาใส่ใจตัวเองสลัดทิ้งหรือว่าเราเข้ามาบวชครั้งนี้เรามาปรับปรุงแก้ไขตนเองออกจากที่ไปเราต้องเป็นคนใหม่เราจะไม่เอานิสัยเก่าๆมาใช้แล้วทิ้งหมดเรื่องเก่าๆ เราต้องเป็นคนดีเป็นขราชการที่ดีเป็นพ่อค้าที่ดีเป็นประชาชนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีตั้งใจทำการทำงานทำมหาเลี้ยงชีพโดยสัมมาชฉิปนั่นแหละในเมื่อพวกท่านทำอย่างนั้นได้ถึงพวกท่านจะไม่มาเกี่ยวข้องกับผมผมก็ยังนับเนืองว่าอขออนุโมทนาในความประพฤติของท่านเหล่านั้น ไม่เสียทีได้บวชมาได้ศึกษาธรรมะได้ประพฤติปฏิบัติและพวกท่านก็จะภูมิใจจนถึงอวสานของชีวิตถ้าพวกท่านทำได้อย่างนั้นและลึกขึ้นมาได้เมื่อไรพวกท่านก็จะภาคภูมิใจไม่ได้ตาหนิตัวเองมันตรงกันข้ามกับเราไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ทำอะไรตามใจชอบทำอะไรตามอัธยาใจตามกิเลสความอยากความโลภความปวดความหลง คิดขึ้นมาเราก็เหี่ยวใจเศร้าใจจิตใจอับเฉาไม่เบิกบานแต่ถ้าว่าเราทำถูกต้องไหวพระสวดมนต์วันสำคัญวันมาคะวิสาขะวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันเกิดของตนเองวันเกิดที่เคารพนับถือของเราวันเกิดที่เรารักเคารพเราประกอบคุณงามความดีให้ทานในวันนั้นใส่บาทในวันนั้น การกระทาอย่างนั้นเป็นกุศลเรามีฐานะที่ดีขึ้นเราก็เสียสละทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมให้แก่สังคมแต่ถ้าว่าเรามีฐานะที่พอจะเจจุนตัวเองได้เอา้าทำอย่างเต็มที่อุตานะสัมปทาถึงพร้อมโดยความมันความขยันพระพุทธเจ้าไม่สอนให้พวกเรางอมืองอเท้านะรักขนะสัมปทา ให้รักษาทรัพย์ที่สแสวงหามาโดยความยากลําบากหรือยศตําแหน่งที่เราเรียนศึกษามาที่เราได้มาทําการทํางานเราสอบได้ได้ยศได้ตาแหน่งอืมให้รักษาเอาไว้ถ้าเราทําตัวไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะไล่ออกเสียหมดเลยอนาคตเราอลักษระให้รักษาเอาไว้กัลยาณมิตรให้เลือกครบ ผู้พกเคื่อนฝู่ที่มีนิสัยดีมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจให้เลือกครบอย่าไปครบนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันนักเลงความชั่วให้เลือกการเลือกนั่นแหลอคนเรามันต้องเลือกรถยียวห่อเดียวกัน บริษัทเดียวกันเราก็ยังเลือกเดินวนแล้ววนอีกเลือกเออเอาดีที่สุดสินค้าประเภทไหนก็นตามต้องเลือกขนาดอาหารพร้อมที่จะทานอยู่แล้วเราก็เลือกเราไม่กินกระดูกเราไม่กินก้างทั้งที่อยู่ในถ้วยเดียวกันอันนี้คนแท้ๆเราทำไมจะไม่เลือกต้องเลือกเลือกคบทีเราต้องดู หนทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนอันนี้เป็นคําโบราณพูดมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดคํานี้ยังใช้ได้อยู่เสมอจะรู้ว่าม้าดีและไม่ดีอต้องพ้นทางเป็นเครื่องพิสูจน์จะรู้ว่าคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมต้องรู้ด้วยการครบค้าสมาคมไปนานจะรู้ ถ้าคนไม่ดีจากจิตใจแล้วสันดานเก่ามันจะแพรบออกมาทันทีเราจะได้รู้ได้ว่าเออนิสัยเขาเป็นอย่างนี้ก้นบึงเขาเป็นอย่างนี้อืมเนี่แหละต้องเลือกครบรยาณมิตรสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบพวกเราก็ทําำราชการเป็นพ่อค้าทํางานให้เป็นสัมมาชีพนั่นแหละ อย่าเป็นมิจฉาชีพมิจฉาวณิจชาคือการค้าขายไม่ชอบธรรมค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายน้ำเมาค้าขายสัตว์อาวุธค้าขายสัตว์เป็นสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารนีอันนี้เราควรจะศึกษาให้เข้าใจนันะมันมีโทษมีคุณยังไงมิจฉาวนิจชามิจฉาคือมิจฉาชีพวันิจคือการค้าขายค้าขายน้ำเมาเป็นไง ค้าขายยาพิษเป็นยังไงค้าขายสัตวอาวุธเป็นยังไงค้าขายมนุษย์เป็นยังไงเออล้วนแล้วแต่มันไม่ดีทั้งนั้นนหละการค้าขายพรธเจ้าก็บอกการทํางานราชการก็ให้ตรงเว ล, เวลาอ อ, อันนี้พวกเราก็คงจะได้ยินได้ฟังกันมาแล้วต้องหลกต้องหลกโลกสงสารเขาก็พูดกันมานานแต่ที่ยังไงก็ให้เราเป็นคนดีนะนะั่นแหะพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ตั้งแต่อุทานะการมันขยันอรักขะรักษาเงินรักษาทรัพสมบัติที่พวกเราสอบสแสวงหามาโดยความยากลำบากจนถึงหนาทีตำแหน่งการยานามิตรครบเ่อนดีงามสมาชีวิตต า, เ, าเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่แหละให้พวกเราสำเนีจสํานึกไว้อยู่เสมอนะ เราได้บวชมาครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตขัราชการเราก็คงได้บวชเพียงครั้งนี้แหละครั้งเดียวจากนี้ไปก็ถ้าจะบวชกับเพียงบวชภาคแล้วดูร้อนบ้างลาพักร้อนบ้างแต่จะให้บวชได้สามเดือนก็มีครั้งเดียวพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจนะบวชมาทั้งทีทั้งพระเก่าทั้งพระใหม่อย่าให้เสียเที่ยวเสียที บวชเข้ามาแล้วอย่าไปเอาสิ่งภายนอกเข้ามาเป็นอุปสรรคเราจะเดินไปเพื่อมรักผล น, ผนิพพานเราจะไปเอาเรื่องขี่มูลาขี่หมาแห่งเอามาขัดขวางตัวเองนะมันใช่ไม่ได้เรื่องทะเลาะติวัดเรื่องยุเรื่องกินเรื่องคำพูดแต่ละคำอือยากจะให้ถูกอ ก, กถูกใจตัวเองมันจะได้อย่างไงไปคิดอย่างนั้นมันมีแต่บาสน่ะบายศบาอยา่างนั่นต้องไปอยู่คนเดียวในป่า อยู่บนเขาไปคิดถึงหมูต่ตายเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นนะแต่มากกว่าได้มากแต่น้อยกว่าใดน้อยกิเล่มันไม่พอดีหรอกถ้าทํามันมันพอดีมากก็ไม่ลืมตัวน้อยก็ไม่ลืมตัวนะถ้ากิเลสมันมากมันก็ไม่พอใจไหวยุงเย้งบุญไหว่แต่ไปหาอยู่ที่น้อยก็ว่าไม่พออยู่พอกิน เดือดร้อนหุ่นวายอีกกิเลสมันอยู่ในใจมันต้องดูมันอยู่กับหมูมากก็ต้องวางตัวให้ถูกอยู่กับหมูน้อยก็วางตัวให้ถูกอยู่คนเดียวก็วางตัวให้ถูกนั่นคือธรรมอยู่กับหมูเพื่อนมากๆหาว่ายุ่งเยิงวุ่นวายอยู่กับหมูน้อยก็หาว่าว้าวิอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ คิดถึงหมูพวกเพื่อนว้าเหวียงอ้างว้างเวลาเก็บไข่ได้ป่วยจะพึ้นฟ้าอาศัยไข่เนะี่ยพอมาอยู่กับหมูพวกเพื่อนก็ตําหนิหมู่พวกเพื่อนคูบาอาจารย์นั่นแหละกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราอยู่กับหมู่ใหญ่ก็เราก็ศึกษาการอยู่กับหมูเป็นยังไงมันเป็นการศึกษาทั้งนั้นนะอถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ศึกษากับเราคนเดียว การอยู่คนเดียวเป็นยังไงอ่าถ้าว่าเรารู้ได้ศึกษาดีแล้วเนะ่ะอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อืมเราเกิดมา ก, ก็เลยเกิดมาคนเดียวเนวะลาเราตายเราก็ตายคนเดียวนะความดีความชั่วเนะี่ยเราได้รับคนเดียวนะสวรรค์นิพพานเราเป็นคนได้ถ้าเราทําดีถ้าเราทํ า, าทชั่วเราไปนรกเนะี่ยในมันเชื่อขนาดนั้นนะ่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมในการกระทําของตนเอง อ่าทีนี้มันอยู่ยังไงก็ได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ได้อยู่กับครูบาอาจารย์พระเนนเยอะแยะก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้นี่เมื่อโอกาสเมื่ออยู่คนเดียวอติเลขกลขล่าปวงกันปัจจัยสีมีมากก็ไม่ลืมตัวมีน้อยก็ไม่เสียใจได้ทั้งสองอย่างนี่ผู้ฝึกหัดผู้ปฏิบัติธรรมควรจะเป็นอย่างนั้น มีมากคนยกย่องจะนังเสือกฟูไม่มีอะไรขาดแคงขาดตกบกพร่องก็จมกระเสือกกระสนอันนั้นลหละคือกิเลสคำนี้ให้จำมาไว้ไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าให้ตนเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอยู่กับธรรมอยู่กับวิ น, นัยพออยู่พอชั้น พอเป็นพอไปเอาเพอือมกันดานเราก็รู้จักเราจะทำยังไงแก้ไขยังไงพออยู่พอชันได้เอาละนักขอบพุทธปฏิบัตินักสอบแสวงหาทางพ้นทุกพอเป็นเสบเืองเดินทางถึงจะกินข้องดีข้องดีขนาดไหนก็เถอะแก่เจ็บตายมันยังครอบงำเราอยู่ ึงเราจะทุกจนขนาดไหนก็เถอะแกเจตตาก็ยังครอบงำเราอยู่อีกเหมือนกันเราอยู่อย่างพระอยู่อย่างได้สัมมณะอย่างนักบวชอ่าเี่เบื้องต้นได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่ปันจะออกอันษาต่อมาก็ได้พูดเกี่ยวกับการเมื่อเราได้บวชในพุทธศาสนาเมืน่อเราอยู่ในควันไฟอยู่ในกลุ่มเมฆหมอก เมื่อเป็นฆระวาดในเมื่อเราเป็นพระเรามานั่งคิดไตรตรองในเสนาสะนะอันมงกควรจะมองเห็นทางว่าเมื่อออกไปแล้วเราควรจะทำตัวอย่างไรวางตัวอย่างไรมันจึงจะถูกต้องแล้นําำมาพิจารณาเดืองธรรมสุตะ์อินตาภาวนาอันนี้คือหลักของพุทธศาสนา ถ้เป็นคารวะาก็ให้มีอุตสาหนะความมั่นความขยันอรักขะให้สังสมทรัพย์ส่แสวงห า, ห, าหรือดศตำแหน่งหน้าที่อย่าให้มันเสื่อมเลือกความบกพ้่องความสะเพาของเราการยานามิตรให้เลือกครบคนดีคนชั่วแยกแยกให้ออกสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ จากนั้นก็เรื่องศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลกระจัดความชั่วทางกายทางวาจาส่วนปัญญานั้นขจัดกิเลสในจิตในใจของพวกเราปัญญานั้นมีหลายระดับตั้งแต่ปัญญาหาเลี้ยงชีพปัญญาทางมิจฉาชีพปัญญาเนี่ยมันได้หลายๆระดับสัมมาทิฏฐิของพุทธศาสนาเนี่ยคือเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ สมาทิทีิความเห็นชอบอันนี้เราปัญญาสมาธิเห็นชอบจนถึงร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาทวะกิเลสนั่นแหละอันนี้จะบริสุทธ์ ด, ด้วยปัญญาอกเพื่อนทั้งอกตั้งใจมาอยู่ในพรรษานี้้าหากว่า มาอยู่แล้วเป็นยังไงผมก็ไม่รับรองว่าจะดีหมดทุกอย่างถ้าว่าพวกท่านทางหลยขัดข้องมองใจไม่สบายอกไม่สบายใจก็ไม่ต้องนำไปจิตอันนี้คือทิ้งไว้ในวัดเอาแต่สิ่งที่มันดีไปเหมือนกับแมลงผู้แมลงผึ่งฉลาดไปเอาเกรสรดอกไม้เกรสรดอกบัว มันกับพันเอาแต่ของดีๆน้ำหวานจากดอกบัวไปเลี้ยงรวงเลี้ยงลังของมันมันไม่ได้เอาทั้งเหงาบัวใบบัวดอกบัวอมันได้ออกไปด้วยเอาแต่สิ่งที่จะไปเลี้ยงรวงลังของมันเป็นประโยชน์สําหรับมันเท่านั้นอันนี้พวกเราก็เหมือนกันควรจะใช้สติใช้ปัญญา เอาสิ่งที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหมู่ในคณะในครูบาอาจารย์แล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นคนดีอันนั้นหลักไปว่าผู้ประเสริฐผู้มีปัญญาสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะเอาไปคิดโลกทั้งโลกมันไม่ใช่ว่าจะเลิศประเสริฐทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าอยู่ในกลุ่มในคณะใด สาขาอาชีพใดมันมีทั้งคนเลวคนดีทั้งหมดพุทธศาสนาของเราก็ไม่รับรองเพราะพระเนรเขาไม่ใช่พระอหรหันต์มาบวชเป็นพระอหรหันต์้งหมดไม่ใช่เอาคนกิเลสมาบวชเป็นพระเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีแต่ถึงยังไงก็ให้เก็บไว้ข้างในตัวเองนั่นอย่าให้มันเพนพ่านออกไปข้างนอกถั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติและหมู่วกเพื่อนปิจชะจไปก็ ยึดแต่คุณงามความดีไปนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับผลรับประโยชน์ในการบวชในครั้งนี้วันนี้ผมพอพูดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะ